ดีกันนันกับคู่มันที่คอยเอาใจนั่งช่างรักไม่รู้จะนักทางใครนักใครไปก็ยังอะไรทำคู่มันคนนี้คูดีพอดา นัดเราให้มาเจอกัน ผูกใจโอเ้เวนกรรมฉันทำแต่บางไดจำใจสับราง คนรักญาติทักกันลันเลือกคู่มันก็ไม่ทูกใจโอเวนกำฉันทำแต่บางได้ต้องจำใจสับรางรถ